บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งคำถามของท่านชตุกันนีมานุซึ่งมากราบทูลถามพระพุ้มีพระภาคเจ้านั้นท่านได้กล่าวยอมรับสถานะของพระพุทธเจ้าอีกตอนหนึ่งว่าพระองค์ผู้มียาณจักสุข เกิดพร้อมจากการสรัตรุขอพระบรมมีพระภาคเจ้าได้โปรดบอกสันติบทแก่ข้าพระองค์คําว่าญาณเครื่องรู้ที่เกิดพร้อมกับการศัสรุของพระพุทธเจ้านั้นทําให้พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยจักษุพิเศษออกไปเป็น5ประการอย่างคําที่สวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าในบท ที่กล่าวกันในสมัยเป็นนักเรียนที่ว่าพร้อมเบนจะพิจารณสุจริตวิมุนใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบไปจากจริงซึ่งก็หมายความว่าพระพุทธพระพุ้พพมีพระภาคจ้านั้นทรงประกอบด้วยจักสุหประการซึ่งมีลักษณะของใสรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง จักษุทั้งห้านั้นคือมังสะจักษุได้แก่ดวงตาธรรมดาพระพุมีพระภาคเจ้ามีพระเนตรแจ่มใสยอยู่ตลอดแม้ประชนมายุ80ปีแล้วก็ไม่มีปัญหาในด้านการทอดพระเนตรจึงแสดงว่าแม้ดวงตาธรรมดาของพระองค์ก็เป็นดวงตาที่มีคุณภาพพิเศษประการต่อไปก็คือทิพระจักษุได้แก่ตาทิพย์ ตาทิพนั้นใช้ในสองกรณีด้วยกันในกรณีที่ใช้ดูความเปลี่ยนแปลงของสัตว์ทั้งหลายที่แตกต่างกันท่านเรียกว่าจูตู ป, ปปาติยานคือปริยานที่ทาให้ทรงรู้การอุบัติบังเกิดของสัตว์ทั้งหลายว่าแตกต่างกันเพราะอะไรเป็นเหตุและทรงทราบชัดว่าเป็นเพราะกรรมเป็นเหตุในกรณีที่ใช้ดูอุปนิสัยบารมีของสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์จะตรวจ จะเสด็จไปโปรดในสถานที่นั้นๆซึ่งทรงใช้ในตอนใกล้รุ่งของแต่ละวันเป็นพุทธกิจประจักประการหนึ่งในพุทธกิจ5ประการเราก็เรียกว่าเป็นทิพย์จักษุอันร่วงวิสัยจักษุ ข, ของมนุษย์คือเนื้อจักษุสามันมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์สามันนั้นไม่สามารถที่จะไปเห็นจิตใจของบุคคลในแต่ละขณะว่ามีพื้นเพจิตใจเป็นอย่างไร มากหรือราคะโทสะหรือไม่มากหรือราคะโทสะเป็นต้นมนุษย์สามัญไม่สามารถจะเห็นได้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะใช้ตาธรรมดาเห็นได้เหมือนกันแต่ก็ทรงอาศัยที่ปัญจสุคือตาทิพตตรวจสอบดูพื้นเพออัตยาศัยของบุคคลผู้นั้นประการที่3คือปัญญาจากสุได้แก่จากสุคือปัญญาที่ทรงรอบรู้ถึงสภาวธรรมตามทั้งหลายตามความเป็นจริง ด้วยความตย์สรุขอริยสัจทั้ง4ประการพุทธจักสุคือจักสุของพระพุทธเจ้าที่มีความรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยผลคือญาณที่เกิดขึ้นจากการสรัตยุและสมันตจักสุที่เปลว่าจักษสุรอบด้านท้าเน้นไปที่ตัวสัพพัญยุตยานซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของพระองค์เพื่อได้ศสรตย์สุซึ่งจะเห็นได้ว่าจักสุ4ประการข้างล่างนั้น คือทิพยจักสุปัญญาจักสุปุตตจักสุและสัปันตะจักสุเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการศัสรูของพระพุทธเจ้าเป็นประการสําคัญแต่ก็เรียกแตกต่างกันออกไปในกรณีของการใช้จักสุแต่ละอย่างส่วนคําว่าสันติบทคือทางแห่งความส ง, งบหรือบทที่ก่อให้เกิดความสงบนั้นหลักพระพุทธศาสนาก็มีจุดมุ่งอยู่ที่ความสงบหรือความสุข ความสุขกับความสงบนั้นเป็นปัจจัยของการหลายกันและก็เป็นเหตุเป็นผลของการหลายกันคือถ้าหากว่ามีความสงบก็เป็นสุขหรือจะเป็นสุขได้ก็ต้องอาศัยความสงบเพราะงั้นความสงบกับความสุขจึงอาจจะใช้แทนกันได้ในที่ต่างๆก็นี้เพื่อเห็นว่าได้ทรงสแสดงสภาวะของนิพพานที่ว่านติสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นก็หมายความว่าเน้นไปที่ตัวความสงบ แต่ในขณะเดียวกันสภาวะของนิพานนั้นก็สรงสแสดงว่านิพานังปรามังสุขขังนิพานเป็นบรมสุขจึงก็หมายถึงสภาวะอย่างเดียวกันแต่ก็เรียกกันคนละขณะได้เรียกกันคนในโอกาสเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขังในขณะนั้นๆอสันติบทที่ท่านเจตุกันนีมุ่งหมายจริงๆ จ, งจึงมุ่งเอามรรคผลนิพานที่ท่านต้องการจะหลุดพ้นไปจากสังสารทุก เนื่องจากท่านเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่เป็นสมาธิติมุ่งหมายที่จะประพุติปฏิบัติตนให้ดุดพ้นไปจากสังสารทุกข์ด้วยจิตคิดเบื่อหน่ายในคารวะสวีไสจึงออกบวชมาตั้งแต่ต้นเพราะผลที่ต้องการจริงๆของท่านจึงไม่ใช่ความสงบในระดับทั่วไปเพราะความสงบบางระดับนั้นด้วยเพศที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นและด้วยคําสอนของท่านพระอา์ภาวรี ท่านก็สามารถที่จะสัมผัสความสงบได้ในบางระดับแต่ความสงบอย่างสูงสุดคือมรรคผลนิพพานนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะสัมผัสผลคือมรรคผลนิพพานได้จึงมากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในขณะเดียวกันท่านก็แสดงไว้ทั้งส่วนของเหตุและส่วนของผลในส่วนของผลนั้นก็เน้นไปที่ตัวนิพพานหรืออาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่ว่าใช้แทนค่ะว่านิพพาน ช่นอาจจะเรียกว่าวิมุตติวิสุทธิสันติวิราคะเป็นต้นซึ่งแต่ละคำก็หมายถึงนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่บางอย่างท่านก็แสดงในส่วนของเหตุที่จะก่อให้เกิดผลเป็นความสงบอย่างแท้จริงก็เน้นไปที่หลักปฏิบัติที่เราเรียกว่าโพเิปกิยธรรมคือธรรมะที่เป็นกลุ่มของธรรมที่จะตามบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรุธรรมตามพระู้มีพระภาคเจ้า บางครั้งแต่ก็เรียกว่าอภินยาเทศิตรธรรมคือธรรมะที่ส่งแสดงเพื่อความรู้อันยิ่งหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยญาณการรู้ธรรมที่จะนําบุคคลเหล่า น, นั้นให้หลุดพ้นจากอํนานาจของกิเลสได้ก็ได้แก่หลักของรรสติปัฏฐานทั้ง4ประการคือกายเวทนาจิตธรรมสรรมะปัฏฐานทั้ง4ประการก็คือเรื่องของสมาวยามะได้แก่ความพยายามในทางที่ชอบ อิธิบาต ท, ทั้ง4ประการอินทรีทั้ง5ประการภาละทั้งห้าโพชฌงเจ็ดและมักมีองค์8สรุปรวมก็เป็นโพเทปเกียธรรม37ประการด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโดยสรุปง่ายๆในการประพฤติปฏิบัติทํานองที่ว่าประตูเมืองก็มีหลายประตูก็มาปิดบางประตูเสียแล้วก็เปิดไวเป็นบางประตู โดยทรงใช้คําสั้นๆว่าผู้เพ่งสันติคือเพ่งความสงบหรือมุ่งความสงบให้ละโลกามิตรเสียถึงก็หมายความว่าเป้าประสงค์ของบุคคลที่มุ่งสันติคือความสงบนั้นจะต้องพยายามละโลกามิตรคือเหยื่อของโลกซึงเหยื่อของโลกนั้นก็ไม่อื่นไปจากอายตนะภายนอกทั้ง6ประการเพราะว่าโลกเราเป็นโลกของสัมผัสได้แก่รูป เสียงกลิ่นรพผลพะและธรรมะอันเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบนั้นเอาก็จริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแส ด, แดงถึงขั้นตอนต่างๆเอาไว้เป็นอันมากเช่นขันแรกก็เริ่มจากศีและสังวรคือให้มีความสารวมระวังในชั้นศีลซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ ต้องการให้บุคคลสามารถควบคุมอาการแสดงออกทางกายกับทางวาจาของตนไม่เป็นไปตามอํานาจของกิเลสแต่ให้เป็นไปตามอํานาจของเหตุผลและธรรมะที่ช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมอาการแสดงออกทางกายทางวาจาของตนให้อยู่ในกรอบของธรรมะได้ในชั้นของการเว้นก็คือให้เว้นจาก การประพฤติการกระทำํำที่จะนําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและสู่บุคคลอื่นซึ่งทรงแสดงไว้ด้วยหลักของศีลแต่ในชั้นที่สองนั้นก็ให้ประพฤติปฏิบัติที่มีใจประกอบด้วยธรรมะเป็นฐานใจซึ่งอาจจะแสดงโดวยวคาร์อย่างไรก็ได้ประเรื่องของธรรมะนั้นขอให้เริ่มต้นพื้นฐานที่ข้อใดข้อหนึ่งให้ได้และในที่สุด คุณธรรมความดีเหล่าอื่นก็จะเกิดขึ้นติดตามมาจำนองกับบุคคลปลูกต้นไม้ขึ้นต้นหนึ่งก็ขอให้ปลูกต้นไม้ให้ได้สักต้นหนึ่งและต่อจากนั้นสิ่งที่เกี่ยวกับต้นไม้ก็จะติดตามมาโดยลาดับไม่ว่าตัวลําต้นกิ่งใบดอกผลของต้นไม้เหล่านั้นเมื่อผ่านการเวลามาพอสมควรแล้วได้เหตุปัจจัยสนับสนุนพอสมควรแล้วก็จะเพิ่มขึ้นโดยลําดับการปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติถึงจุดหนึ่งจนถึงกระสัมผัสผลก็จะมีความชื่นชมยินดีในธรรมะเหล่านั้นคราวนี้เพิงดูตัวอย่างพื้นฐานทั่วๆไปที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อบุคคลจะทำบุญก็ให้ทำบุญนั้นบ่อยๆให้ปลุกฝังความพอใจในบุญนั้นคือถ้าปลูกฝังความพอใจให้เกิดขึ้นในบุญด้วความดีทั้งหลายได้ ความเพียรพยายามที่จะกระทําบุญก็จะบังเกิดขึ้นจิตใจก็จะจดจ่อมุ่งมั่นในสิ่งที่เรียกประบุญพยายามแสวงหาประพฤติกระทําในสิ่งที่เรียกว่าบุญปัญญาก็จะส่องพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออกของตนไม่ว่าทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจก็ตามปัญญาก็จะส่องอยู่ตลอดว่าสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบุญก็ประพฤติกระทําไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม เพระแ ท, ท้จริงแล้วเป็นเรื่องของการเก็บการสั่งสมขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ละน้อยแต่ละน้อยอย่างที่ทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนหยาดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดสามารถทำภาชนะที่รองรับให้เต็มได้ชั้นใดใจของบุคคลที่มีความพอใจมีความยินดีเก็บสะสมบุญไว้ บ, บ่อยในที่สุดก็จะเต็มด้วยบุญซึ่งก็เป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้น แม้ความเจริญเติบโตในด้านร่างกายของบุคคลเราก็ค่อยเก็บค่อยสะสมมาโดยลําดับและในที่สุดร่างกายก็เจริญเติบโตพอะเสื่อมก็มีเหตุปัจจัยให้เสื่อมไปโดยลํา ด, ดับในที่สุดมันก็เสื่อมไปแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลาย น, นั้นก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างที่ท่านแสดงไว้โดยสรุปว่าสิ่งใดเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ว่าจะในด้านบวกหรือในด้านลบก็ตาม ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องโบหารในการเทศในการแสดงของพระพุทธเจ้าว่าผู้ฟังสามารถจะปฏิบัติได้ในข้อใดก็จะทรงสอนข้อนั้นเอาไว้แต่ความดีเหล่าอื่นก็รอคอยเวลาที่จะเกิดเพิ่มพูนขึ้นจากจุดตอนนั้นจะทรงสอนให้บุคคลมีเมตตาจิตในชั้นต่างๆจนแผ่ไปถึงบุคคลเหล่าอื่นโดยําดับจนแผ่ไปในที่ตั้งหลาย ปรารถนาการอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภั ย, ไ ม, มภยไม่เบียดเบีย น, นกันมาปัจตุสรายกันของคนและสัตว์ทั้งหลายและแสดงออกมาจากแกบหยาบก่อนคือแสดงออกมาทางกายให้ได้โดยทางวาจาให้ได้ด้วยจนถึงเมตตาทั้งเข้าถึงใจกลายเป็นฐานใจเพราะเมตตากลายเป็นฐานใจก็กลายเป็นเมตตานในชั้นต่างๆเมตตาชั้นแรกที่เราเรียกว่าเมตตาในพรหมิหารแธรรมแต่เมื่อกระจายตัวเองออกไปสูงขึ้นก็กลายเป็นเมตตาในอภปัญญาคือเมตตาที่หาประมาณไม่ได้ ซึ่งโดยใช้คำว่าสัพเพสตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เลือกเผ่าพันธุ์วัณณนะ เ, เพศชนิดของสัตว์ทั้งหลายแต่ประการใดจะมีเท้าไม่มีเท้ามากเท้าหรื อ, อสองเท้าสี่เท้าก็ตามกคต้องตั้งใจปรารถนาที่จะให้เกิดการไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มเบียดเบียนกันไม่ประทุสร้ายกันแกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพอใจได้ฐานเหล่านี้แล้วมันก็กลับมาจําระในชั้นของศีลที่ทรงบัญญัติแสดงเอาไว้ ซึ่งในชั้นแรกก็นับกันเป็นข้อๆเป็นนั้นมากแต่่อใจได้ฐานเช่นนั้นแล้วก็จะปรับตัวเองได้โดยอัตโนมัติจะสมาทานศีลหรือไม่สมาทานศีลก็จะเป็นศีลขึ้นมาแต่เช่นว่าใจที่ประกอบด้วยเมตตาบุคคลก็จะไปฆ่าสัตว์ไม่ได้และจะลึกซึ้งลงไปโดยลําดับในแต่ละข้อของศีลที่ทรงบัญญัติแสดงเอาไว้นอกจากไม่ฆ่าโดยตนเองแล้วจะไม่ใช้บุคคลอื่นให้ฆ่า จะไม่พูดสรรเสริญยกย่องการฆ่าจะไม่มีความชื่นชมยินดีในการฆ่าเพราะใจประกอบด้วยเมตตาพอมาถึงรักซาปมันก็จะเดินอย่างนั้นคือจะไม่มีการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่ใช้บุคคลอื่นให้ถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พัณนายกย่องสรรเสริญการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่มีความชื่นชมยินดีในการถือสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ จิตใจจะมีความประณีตขึ้นประณีตขึ้นจนกลายเป็นธรรมะล้วนๆกลับมาชำระศีลมาฟอกศีลของตนให้หมดจดในชั้นกาเมตสุพิชฌาจารย์ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะลึกลงไปไม่ ร, รับติผิดด้วยกามด้วยตนเองไม่แนะนําเชิญชวนบุคคลอื่นประพฤติผิดไม่พันนายกย่องสังเสริมการ ร, รัฤผิดผิดในทางกามไม่มีความชื่นชมยินดีในการ ร, รับติผิดเช่นนั้นเพอมาถึงมุสาวาทก็จะเดินไปเองึือ งดเว้นจากการพูดเทด็จตัวเองไม่แนะนําชักชวนในบุคคลอื่นพูดเท็จไม่สันเสริญการพูดเท็จไม่ยินดีในการพูดเท็จพอมาถึงสุราก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าในชั้นของศีลสังวร น, นั้นเองก็จะเดินขึ้นไปโดยลําดับแม้จะทรงแสดงศีลไว้อย่างเดียวแต่ในที่สุดก็จะเพิ่มธรรมะขึ้นแต่นั้นก็จะพบว่าบางครั้งก็ทรงแสดงโด ด, โ ด, ด ว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกคำ ว, ว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกนั้นไม่ได้หมายความว่าตัวศีลเท่านั้นแต่ว่าศีลเป็นปัจจัยฐานที่จะนำความดีงามต่างๆให้เพิ่มขึ้นพอบุคคลประพฤติปฏิบัติในชั้นศีลแล้วจิตก็จะเดินไปโดยลาดับดังที่กล่าวแล้วในที่สุดก็จะเข้าเป็นธรรมะจึง จ, จึงทรงแสดงโดดๆไว้เลยว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลก ฤศีนยังประโยชน์ให้สาเร็จรบเท่าแก่เท่าจราไปฤศีนเป็นเกราะย่างยอดเยี่ยมเป็นต้นนี่คือแสดงกันอย่างโดดโดดเลยแต่แท้จริงแล้วคือการประพฤติปฏิบัติที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลการแสดงออกของบุคคลเข้าสู่ความสงบเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยที่สุดจะไม่ตกเป็นาธาตุของอารมณ์โลกคือรูปเสียงกลิ่นรสผดพระธรรมารม ที่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจคือไม่ถึงกับกระทำผิดเพราะเหตุแห่งอารมณ์ทั้งห้าประการนั้นจนถึงกับไม่ชื่นชมยินดีในการกระทำผิดในอารมณ์ทั้งห้าทั้งหกประการนั้นในชั้นต่อไปก็ส่งแสดงในรูปของบินเสียสังวรคือการสำรวมระวังอินรีของตนเวลาตาเห็นรูปหูปฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิ้มรสกายถูกต้อง โหตภะหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งยึดเหนี่ยวเป็นต้นและจะใจเหนี่ยวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายไม่ปล่อยความยินดีและความยินร้ายเข้าครอบนาใจบางครั้งก็ไม่ใส่ใจบางครั้งก็ใส่ใจเลือกเฟ้นแล้วถ้าดีก็รับไว้ถ้าไม่ดีก็สลัดทิ้งไปบางครั้งก็ปล่อยว่าสักดิ์เตวารูปสักดิ์เ ต, ต, ตว่าเสียงสักดิ์เตวากลิ่นสักดิ์เตวารสศักดิ์เตว่า สัมผัสศักแต่ว่าอารมณ์บางครั้งก็สงบใจไม่ไปรับถึงลักษณะในการปฏิบัติเหล่านี้เพื่นสังเกตว่าก็ทรงสอนเอาไว้เช่นในชั้นของกรารวัตธรรมเกิดธรรมะของผู้ครองเรือนเราต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เป็นอันมากบางครั้งเป็นอารมณ์ที่กระทบมาจากข้างนอกก็ทรสงสอนในชั้นของความอดทนซึ่งหมายความว่ารู้เสียงกิ่นรสผัวตภะนั้นกระทบมาจากข้างนอก ปะงสองนที่ใช้หลักของคันติคือความอดทนเอาไว้ในกรณีที่อารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลผู้นั้นไม่ได้หมายความว่าอดทนกันทุกอารมณ์ส่วนอารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมเป็นความดีงามทั้งหลายก็รับเมาไว้ให้ความใส่ใจสนใจในอารมณ์เหล่านั้นทีนี้บางอย่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความเหนียวนึกทางใจ อาจจะสึกนึกด้วยความรักใคร่พอใจยินดีก็ได้อาจจะสึกนึกด้วยความไม่พอใจไม่ยินดีก็ได้อาจจะสึกนึกไปโดยพื้นฐานใจที่ประกอบด้วยความเบียดเบียนซึ่งนั้นใช้คำว่าวิหิงสาวิตกก็ได้ใจไปหนเี่ยวนึกตอวเองอารมณ์ข้างนอกไม่ได้มากระตุ้นอะไรก็ทรงสอนธรรมะที่เรียกว่าธรรมะคือข่มใจหักข้ามใจเอาไว้ ได้แก่การรู้เท่าทันขณะของความคิดที่บังเกิดขึ้นเหมือนว่าความคิดในแนวนี้จะนำไปสู่ความไม่ส ง, งบของใจก็าข่มความคิดเหล่านั้นเอาไว้ไม่ใส่ใจไม่สึกดึกถึงอารมณ์เหล่านั้นนี่นุ่นแล้วแต่เป็นอุบายวิธีที่จะนาผู้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าสู่ความส ง, งบในแต่ละขั้นตอนของชีวิตบางอย่างก็เป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการ ดำรงชีวิตคือเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่คองสอนคําสอนที่เราเรียกว่าปัจจยะปัจจเวกขณะเคือพิจารณาทั้งปัจจัยสี่ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในชั้นของการแสวงหาทั้งในชั้นของการได้มาทั้งในชั้นของการบริโภคทั้งในชั้นของการเก็บรักษาเอาไว้และในชั้นของการเสียสละเป็นตน้นในการแสวงหานั้นก็ต้องพิจารณาถึง ความเป็นธรรมเป็นประการสำคัญให้ใช้ความเพียรเรียวแรงความพยายามของตนสนใจคำว่าอาบเหงื่อต่างนา้ำเหงื่อหลใครย้อยเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นในทางที่ชอบธทมได้มาโดยทมขออยู่ในจุดนั้นเพื่ออะไรเพื่ อ, อ จ, จิตใจของตนเองจะได้สงบแต่ว่าแสวงหาในทางไม่ชอบทมก็จะไม่สงบ ทีนี้พอได้มาแล้วก็ส่งสอนในเรื่องของสันโดษเกิดยินดีตามที่ได้มาเพราะถ้าไม่ยินดีตามที่ได้มาใจก็ไม่สงบอย่างนังรับประทานอาหารอาหารมีอย่างเดียวหรือสองอย่างก็ตามก็ต้องยินดีเท่านั้นถ้าคืนยินดีไปมากกว่านั้นก็จะเดือดร้อนภายในครอบครัวก็อาจจะทะเลาะวิวาทกันได้ หรือลำพังตนเองอาจจะไม่รับประทานอาหารเหล่านั้นแล้วก็ไปซื้อหาอาหารที่อื่นซึ่งก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองสูญเสียเวลาแต่ประโยชน์ที่จะได้มันก็คือการคึ้อิม่มกำจัดความหิวกราวได้ป้องกันความหิวหมายได้ร่างกายมีกําลังมีเรียวแรงขึ้นมาได้ก็เหมือนกันนี่ก็ทรงสอนในชั้นของการสันโดษที่เรียกว่ายะถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้มาทีนี้พอในชั้นของการบริโภคใช้สอย ก็ทรงสอนให้มองถึงสิ่งเหล่านั้นในแง่ที่สาเร็จประโยชน์จ้างในการใช้เสื้อผ้าอภรรตพระสงฆ์มุ่งไปที่การปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดซึ่งชงทรงใช้คาว่าปกปิดอวัยวะที่ยังความละอายให้กำเริบคือหมายความว่าถ้าไม่ปกปิดก็จะเกิดความละอายก็ปกปิดเอาไว้แล้วป้องกันสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกาย เย็นหนาวร้อนเหลือบยุงรมแดดต่างๆเป็นต้นแต่ว่าสําเร็จประโยชน์ก็คือสําเร็จประโยชน์จะทําให้ใจของบุคคลส ง, งบได้ในชั้นของเสื้อผ้าอาภรร์ที่มาประดับตกแต่งแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ส่งเน้นให้เห็นว่าความสวยงามของคนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของกติโลกเป็นความนิยมของโลกเป็นการวินิจฉัยตัดสินด้วยจิตที่ถูกปรุงด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นเท่านั้นเอง ต่ความสวยงามอาจจะเกิดขึ้นจากศีลคือการประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบวินัยในตัวเองควบคุมตัวเองได้ความสวยงามนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากธรรมะที่มีเป็นฐานใจอยู่จิตมีขวันติความอดทนมีสุรจากความส ง, งบส ง, งี่ยเป็นต้นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปฏิปทาที่จะนาผู้ประพฤติปฏิบัติให้ใกล้ความส ง, งบเข้าไปโดยลาดับหรือสัมผัสความส ง, งบในชั้นนั้น พอมาถึงอาหารที่เราจะต้องรับประทานซึ่งเป็นเรื่องปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องที่เราพูดกันพระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสาตตังหลนั้นจะอยู่ได้ด้วยอาหารแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงจำแนกอาหารให้ดูว่าอาหารนั้นมันมีอยู่สี่ประเภทประเภทแรกเรียกว่ากบาลิงกาลอาหารอาหารที่จะต้องรับประทานเข้าไปทางปากอาจจะเป็นน้ำเป็นอาหารอะไรก็ตาม อาหานี้เป็นเรื่องความต้องการทางร่างกายขอ ห, หยุดอยู่ที่ความต้องการของร่างกายเพื่อคนได้เกิดความเข้าใจก็ส่งแสดงหลายชั้นชั้นแรกก่อนพิจารณ า, าพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารว่าไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อ อ, อร่อยเพื่ออ้วนเพื่อพีเพื่อแสดงสถานะของตนแต่ประการใดแต่การรับประทานอาหารนี้ก็เพื่อมุ่งที่จะไขจัด เวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่คือทุกขเวทนาที่เกี่ยวกับอาหารไอ้ทุกขเวทนานั้นก็คือทุกที่ทรงใชง้คำว่านิพพัฒนาทุกบางครั้งก็ไปพูดเรื่องนิพพัฒนาทุกเสียงึงจะบุคคลจะต้องบรรเทาในจุดที่ไม่เป็นทุกแต่ให้อย่าได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องบรรเทาได้ถาวรเมื่อมีทุกเกิดขึ้นก็บรรเทาบรรเทาเมื่อหายหทุกได้ก็หยุดการบรรเทา ลักษณะที่คล้ายๆกับรถบัญจารเดินเมื่อหมดน้ำมันก็เติมน้ำมันก็เติมน้ำมันตามที่จําเป็นจะต้องเติมในการบริโภคอาหารก็จะมีลักษณะเช่นนั้นแต่นั้นจะพบว่าบางกะบางครั้งร่างกายนั้นพระพุทเจ้าทรงใช้คำว่ารีรยนตสิรยน์ยนก็คือเครื่องยนต์ที่มีชีวิตหรือมีสรีระจําเป็นจะต้องอาศัยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงานก็เครื่องยนต์เหล่านั้นและทำงานได้ก็ชื่อว่าทำงานได้ถือว่าสำเร็จประโยชน์แล้วและในขณะเดียวกันผู้ดได้ยินได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็อาจจะไม่สามารถบรรเทาความอยากในอาหารได้ก็ทรงสอนคำสอนประเภทที่เราเรียกว่าโพชนเนมัตันยูตาเคยรู้จักประมาณในการบริโภคพัตตาหารไม่มากเกินไปจนเดือดร้อนไม่น้อยเกินไปจนกระสับกระส่าย หรือมากก็เดือดร้อนน้อยก็เดือดร้อนเพราะงั้นให้อยู่ในกลางๆในการบริโภคเรียกว่าโภชนนปัตตันยูตาแต่ในขณะเดียวกันในการใช้หลักรู้จักประมาณนั้นไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะบริโภคอาหารเพื่ อ, อาการปฏิบัติของบุคคลเดินไปได้ดีก็ทรงสอนหลักเรียกว่ามัดตันยูตาในสาวุริสธรรมเอาไว้ในเชิงการปฏิบัติก็เป็นเรื่องเดียวกันคือหมายความว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามที่มีความจําเป็นให้รู้จักประมาณในการ เกี่ยวข้องเ่านั้นก็เน้นไปแม้ในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องรู้จักประมาณในการประพฤติปฏิบัติจึงถรงเน้นไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนานแล้วที่เรียกว่ามัทสิมาปฏิปทาเพราะอะไรเพราระว่าการปฏิบัติที่เข้มงวดขวดขันเกินไปจะไม่ส ง, งบแต่จะเป็นอะไรแต่จะเป็นทุกข์มีการเสียดแทงของทุกขกเวทนาในด้านต่างๆเกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่เปรเิ์และไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าทำอะไรรุนแรงเกินไปสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ตัวเองเกินไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากมันหย่อนไม่เคยเอาจริงเอาจังจับไม่มั่นคันไม่ตายในที่สุดใจก็จะสายขาดความสงบอีกเพราะงั้นก็ส่งสอนให้อยู่ในจุดที่เรียกว่าพอประมาณไม่ถึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเหล่านี้ด้วนแล้วแต่เป็นปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติเพื่อ จะคุมจิตใจของบุคคลเอาไว้ไม่ให้ลูกอํานาจแก่โลกามิตรคือเยื่อของโลกนั่นเองคือไม่ตกเป็นทาสของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของปุจฉะของอารมณ์แต่ก็มีขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติก็ทํานองคล้ายๆกันยกของขึ้นมาจากน้ําคือดึงขึ้นมาโดยลําดับให้ไกลน้ําขึ้นไปโดยลําดับการดึงกายดึงจิตก็จะมีลักษณะเช่นนั้น และความคิดในลักษณะนี้เพิงสังเกตว่าก็ได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนการสัจรู้โดยมีการวิเคราะห์ตรวจสอบที่การประพฤติธปฏิบัติของพระองค์ก็สกัาสายท่อนไม้สาบท่อนเป็นบทเรียนในการประพฤติธปฏิบัติตอนไม้ท่อนหนึ่งคือแช่อยู่ในน้ำด้วยไม้สดด้วยแช่อในน้ำด้วยเราทรงเห็นว่าถ้ากายใจของบุคคลยังเกี่ยวข้องโดยการมาคุณอยู่นั้นจะเกิดความส ง, งบไม่ได้ มันเหมือนเหมือนกับไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางและวางไว้ในน้ําด้วยเปียกทั้งสองอย่างอย่างนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ก็เริ่มขัดกลารขัดกลารชั้นแรกก็เหมือนกับไม้สดที่ชุ่มอยู่ยยนนด้วย ย, งองอยางวางไว้บนน้ําแม้จะไม่เปียกน้ําแต่ก็เปียกยางเมื่อต้องการจะสีไฟก็เกิดไฟขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ดึงขึ้นไปขั้นที่สามว่าเหมือนไม้แห้งที่ปราศจากยางนะักวางไว้ไกลน้ำคือหมายความว่ากายก็ไม่เกี่ยวข้องด้วย วัตถุกรรมทั้งหลายหรือโลกาภิทั้งหลายใจก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมหรือโลกาภิทั้งหลายและถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงซึ่งเป็นสันติบทพระเจ้าก็ทรงอาศัยบทเรียนจากท่อนไม้สามท่อนนี้ท่านในในที่สุดก็นามาวิเคราะห์ตรวจสอบพระไัยของพระองค์ดูในขณะนั้นว่าพระไถยของพระองค์เป็นอย่างไรเป็นท่อนไม้ประเภทไหนและในที่สุดก็ใช้ความเพียรพยายามจนเข้าถึงสันติบทที่แท้จริง แต่ด้วยประญานที่ยังรู้ว่าคนทั้งหลายนั้นมีพื้นเพแตกต่างกันในทุกด้านไม่ว่าจะในด้านอินทรีย์ในด้านพื้นเพอัตยาใยในด้านบารมีธรรมเบื้องหลังในด้านความโน้มเอียงทางสมาธิทางฌานเป็นต้นไม่เหมือนกันธรรมะที่สรงแสดงมุ่งเข้าไปสู่ความสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แก่บุคคลจึงแสดงว่าเป็นขั้นตอนด้วยประการต่างๆ แต่ก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือกอให้เกิดความสงบแต่บุคคลจะสามารถปฏิบัติได้ในชั้นใดก็ตามก็จะได้รับความสงบตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป